ะยเวลาที่สันอาหารกลางวันวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบวันนี้เป็นวันศุกร์ขณะนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกับสิบห้านาทีค่ะพวกเรามาปฏิบัติธรรมโดยที่ลงมือกระทาไม่ได้อาศัยการฟังมากอาศัยการปฏิบัติให้มาก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 พระองค์ท่านสอนให้ทุกคนมีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีกาตามเช่นอ้มเงยเอียงท้ายเอียงหัวพิบตาหายใจอ้าปากเกืนน้ำลายลงไปในลำคอเราก็ให้มีสติเข้าไปรู้เรียกว่าเป็นการเจริญสติ เป็นการเจริญปัญญาพูดอย่างที่คนธรรมดาพูดนั่นน่ะเดียกวทำสมาธิดังนั้นการทําสมาธิจึงมีหลายแบบหลายแผนคําว่าสมาธิบางคนก็ต้องไปนั่งดูลมหายใจนั่งก็เป็นสมาธิบางคนก็ต้องไปนั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอ阿拉หังบ้างอันนั่งก็เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่สมาธิในทีน่นี้สมาธิคือตั้งใจมั่นทำการทำงานพูดคิดหรือการเอียงซ้ายเอียงขวาเหลียวแลก้มเงยโดยวิธีการรู้สึกตัวคนถ้าหากว่าไม่รู้สึกตัวแล้วก็แสดงว่าไม่มีสมาธินั่นเองเนี่ยการพูดมันจึงไม่เหมือนกันดังนั้นคำว่าสมาธิก็ไม่เหมือนกัน ที่ผมเคยทำมาสมาธิแบบที่นั่งหลับตาภาวานาพุทโธบ้างสัมมาอลหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างดูลมเข้าลมออกเรียพองหนอยุบหนอนี่ก็ทำมาหรือว่าอาณาปานาสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดเหล่านี้ก็เคยฝึกหัดและเคยทำมาเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านั้นได้ความสงบแต่ไม่ใช่ความสงบอย่างที่ผมพูดในขณะนี้ความสงบแบบนั้นสงบแบบไม่สงบหรือสงบแบบไม่อยากสงบอะอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสงบอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมาพูดมาจาและไม่ได้มองเห็นอะไรก็สงบได้เพราะเราหลบตัวหนีอย่นั้น ถ้าสงบแบบนั้นจะทําการทํางานอะไรไม่ได้ดังนั้นสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบสมถกรรมฐานทันว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตเหมือนกับเอาเห็นหรือเอาศิลาไปทับหญ้าในขณะเห็นหรือศิลาอยู่บนดินทับหญ้าอยู่หญ้า ก, ก็ต้องตายจริงๆแต่ว่าดินมันซุ้มมันเย็นเมื่อเอาเห็นหรือเอาศิลาออกจากบนดินแล้ว ง่ามันงอกขึ้นมันโป่งขึ้นงามกว่าเดิมก็มีเพราะดินมันซุ้มมันเย็นอันนั้นเดี๋ยวสงบแบบไม่สงบะให้เขา้าใจอย่างนั้นวันนี้วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าสงบเหมือนกันแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้สงบแบบนั้นสงบแบบการเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเห็นยังไงเส้นคนเดินไปเดินมาก็เห็นจะเป็นรูปหญิงก็เห็นว่ารูปหญิง จะเป็นรูปทรายก็เห็นว่าเป็นรูปทรายจะเป็นรูปคนเท่าคนแก่ก็เห็นเป็นรูปคนเท่าคนแก่จะเห็นเป็นรูปคนหนุ่มคนสาวก็เห็นเป็นรูปคนหนุ่มคนสาวหรือจะมีอะไรผ่านไปก็ต้องเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นแจ้งแต่ว่าสงบแบบนี้ทีแรกมันต้องรู้จักตัวเองจึงให้มีวิธีทำมีวิธีทำเส้นสร้างจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออก เดินไปเดินมาไม่ให้อยู่นิ่งๆต้องเคลื่อนไหวตัวอยู่ตลอดเวลาจึงจะมีปัญญาสามารถรู้จริงตามความเป็นจริงอันความรู้สึกตัวนั้นเราเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จาได้แต่ ว, ว่าอย่างนั้นคำว่าสัญญาในทีน่นี้เราก็ไปเรียนหนังสือหรือว่ามีสิ่งของอะไรวางไว้ที่ไหนสัญญาจาได้อันนั้นมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ได้เป็นสัญญาวิปัสนาแต่ว่าคนส่วนมากเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นแหละเป็นสัญญาของวิปัสนาคำว่าสัญญาความเดียวนี่มันมากคำว่าสัญญาหมายถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อว่าอย่างนี้ยังจำได้เอียงซ้ายเอียงขวารู้สึกตัวเรียกว่าสัญญาอันนี้พลิ้วตาหมอนขึ้นหลับลง ให้รู้สึกอันนี้เรีว่าสัญญาอันนี้ตามันเลือบซ้ายแหลกขวาให้รู้จักอันนี้เรียกว่าสัญญาอันนี้บันนี้จิตใจมันนึกมันคิดให้รู้จักเรียกว่าสัญญาอันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะความคิดตัวเองได้อันนี้เป็นเมืองแรกเมื่อรู้อย่างนี้รู้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเหมือนกับเราเอาน้ำเทใส่ ขวดแก้วเนี่ยบ้านหลวงพอเรวน้ำใส่ขวดแก้วเอาน้ําเทใส่แล้วมันเต็มมันเต็มแล้วน้ํำ ม, มันล้นแก้วมันไหลออกไปเมื่อมันน้ำไหลออกไปมันถูกดินดินมันกระซุ่มกระเย็นเมื่อดินซุ่มดินเย็นแล้วรากไม้อยู่ใกล้ๆน่ะมันก็เข้ามาดูดซึมออกไปได้ ว, ว่าเป็นการบําบัดหรือว่าบํารุงให้ฟุ่นให้ปุ๋ยให้น้ําต้นไม้กระงามดังนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อ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 เพราะว่าเคยพูดกับพ่อแม่ปูย่ย่าตายามยมาเลยว่าดังป้าดังป้ากกายใจเป็นบ้านหลวงพอว่อถ้าพูดอย่างนั้นรู้จั ก, จกถ้าพูดว่าจะโมกนี่อาจจะไม่รู้จั ก, จกถ้าว่าพูดว่าดังป้ากกายใจรู้จักทันทีเพราะว่าตัวหลวงพ่อก็มีเช่นนั้นแหงขามือเท้ารู้จักทันทีดังนั้นจึว่ารู้จักตัวเองดีมากแกคนอื่นนั้นไม่รู้ หรือคนอื่นจะรู้ยังไงไม่ทราบใช่รู้จักตัวเองดีพอคนอื่นนั่นจะรู้จักตัวหลวงพอ่อมีอะไรนั้นไม่รู้เท่าหลวงพ่อเองเพราะตัวหลวงพ่อต้องรู้หลวงพ่อเองดังนั้นพวกท่านพวกคุณพวกหนูๆทุกคนคงจะรู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้คำว่ารู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้นั่นรู้อะไรยังไงก็รู้ตัวเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ กับมิจฉาทิฏฐิมันอยู่ที่ตรงนี้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงเห็นถูกต้องท่านว่าอย่างนั้นหรือเห็นชอบท่านว่าอย่างนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่าว่าไม่เห็นถูกต้องไม่เห็นชอบท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าสัมมาทิฐิความเห็นชอบความเห็นถูกต้องและจะให้ใครมาตัดสินให้เราก็ต้องเราตัดสินเอาเองว่าตัวของเรามันมีอย่างนี้เดีวเห็นถูกต้องเห็นตาเรามืน หลับลงหูเรามีคนพูดได้ฟังเนี่ยเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นจริงๆเพราะทุกคนไม่อย่างนั้นจริงจริดเห็นตาเห็นหูเห็นดังเห็นปากเห็นกายเห็นใจนี่จะเห็นถูกต้องเป็นสมมติทิฏหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นจดเห็นสิ่งอื่นที่หลวงพ่อไม่เข้าใจนี่ไม่เห็นถูกต้องจริงๆริงยังเห็นสัตว์อย่างสุนัขบ้านหลวงพ่อเรียกว่าหมายังเห็นสุนัขเนี่ยเรียกว่าหมาสีดําสีแดง หรื้อสีขาวสีอะไรก็รู้ทันทีด้วยเห็นถูกต้องจริงๆเห็นอันนี้ย่างที่หลวงพ่อเคยทำกับครูอาจารย์มานั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอลหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างหรือว่าพองยุบดูลมหายใจอาณาปานาสตินั้นทนวัฒน์เห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์หรือเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธรูป เห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นหลวงพ่อไม่เห็นแต่เห็นก็ไม่เป็นของจริงมันเป็นมายาคูบาอาจารย์ท่านว่าใกล้จะเห็นธรรมะแล้วแต่ว่าเห็นนิมิตแล้วเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นตัวเองก็ขยันเข้าอยากเห็นธรรมะอยากเห็นของจริงอันนั้นแสดงว่าคนที่สอนก็รู้อย่างนั้นมาและคนปฏิบัติก็รู้อย่างนั้นมาก็สอนติดติดกันมาเรื่องนี้ตัวของอาตมาพูดเรื่องตัวอาตมาเองนั่นไม่ได้เห็นธรรมะ อันนั้นแหละเราไม่เห็นธรรมเราเคยได้ยินได้ฟังมาูให้ทําความรู้สึกตัวที่รู้ตัวเองจริงวาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรหรือจับนิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยคนไปตีความหมายว่าเห็นธรรมต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เข้าใจอย่างนั้น แต่คนฟังไม่เป็นไม่ไม่ฟังถูกกันนั่นนะแต่เข้าใจเองนั่นนี่อาจคนอื่นจะอาจจะว่าทุกต้องกันได้หลวงพ่อบอกว่าบททูกเพราะไอหเห็นธรรมก็เห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดเนี่ยเรีว่าเห็นธรรมเห็นธรรมจริงๆเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็เห็นหลวงพ่อพูดอย่างที่นั่งอย่างนี้เอามือนี่ก็เห็นหลวงพ่อทําเห็นหลวงพ่อพูดจริงๆอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมอย่างนี้หลวงพอ่อแต่ว่าเห็นสีแสงผีเทวดานั้นเนี่ยหลวงพ่อเห็นมันไม่เป็นคงที่ เดียเห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงขนั้นคนที่เห็นก็เห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงทำไมจึงไม่เป็นของจริงมันเป็นมายาของจิตใจมันลอกลวงคาว่าลอกลวงจงว่าโอหกหลอกลวงสมถะกรรมฐานเป็นไปรูปนั้นวิปัสสนาต้องเห็นแจ้งลู้จริงมืนตาเห็นฟังก็หูฟังจริงๆอันนั้นต้องว่าหลับตาเห็นนี่เป็นอย่างนั้นอุดหูไว้ไม่อยากได้ยินเสียงคนจงว่าสงบแบบไม่สงบ สงบแบบไม่อยากสงบอันป็นอย่านัดังนั้นการทํากรรมฐานกับวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องสํานึกดูให้ดีอันนี้หลวงพ่อเองเคยนในสมัยบวชเป็นเจ้าหัวหนุ่มหกเดือนแต่ไม่ได้ได้ฟังหกเดือนไม่ใช่อย่างนั้นพอดีบวชเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็นเลยสอนอุปสาสสอนพระครูวิสิทธิธรรมจาร์เป็นเจ้าคณะอําเภอเสียงคางสอนว่า ให้รู้จักท่านก็สอนเรื่องอาบัติประสาทธิดนี่แหละต่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะทุกคนฟังและจําได้แต่สัญญาเรื่องรู้ตัวเองเนี่ยหลวงพ่อรูด้ดีคนอื่นจะรูด้ดีก็หลวงพ่อไม่ได้ตัวหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อมีอะไรเป็นบาดเป็นแผลอยู่ที่ไหนหลวงพ่อรู้ได้เห็นได้พวกคุณก็เช่นเดียวกันถ้ามีบาดมีแผลอยู่ที่ไหนพวกคุณจะรู้เองตําหนิอยู่ที่ไหนเนยรู้เลยตําหนิแผลบ้านหลวงพ่อเรียกว่าตําหนิมีแผลอยู่ที่ไหนแต่รู้เอง เนี่ยคนอื่นไม่รู้ก็เราต้องรู้นั่นเป็นอย่างไ น, นดังนั้นเรื่องการกระทําวิปัสนาจิมว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองก่อนที่จะรู้เองนั่นะต้องทํำกลมเคลื่อนไหวอย่างที่พูดแล้วข้างต้นไม่ต้องนั่งนิ่งๆนั่งพาเพียบก็ได้นั่งเยียดขาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้แม้ที่สุดนอนก็ทําได้ให้เคลื่อนไหวพลิกคีย ง, งตีโตอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยเนี๋ยวทำกลมเคลื่อนไหว อันนี้ทรมากเข้ามากเขา้าเกิดยานเข้าไปรู้ยานไม่ใช่ว่ามุดหัวเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่หอกเนี่านแตลว่าเข้าไปรู้เข้าไปรู้ที่ไหนเข้ามารู้ตัวเองเข้ามารู้กําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอะไรอยู่นี่เนี้ยว่าเป็นผู้ที่มีสติถ้าหากไม่รู้ในการทําการพูดการคิดแปลว่าคนไม่มีสติคนมีสติเดยกัคนมีสมาธิคนไม่มีสมาธิก็ไ ม, มมกไม่มีสตินั่นเองสติกับสมาธิเป็นคําเดียวกันนะ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 คนบ้าเลยจึงเห็นเนีของโบจิงนั่นเอาของโบจิงมาสอนก็เรียกว่าคนบ้าจีวันบ้านี่มันหลายบ้าบ้าคนไม่รู้จริงเขามีบ้าคนรู้จริงเขามีเหมือนกันกับที่ว่าในประเทศอินเดียมีหลายลัทธิมีหลายอาจารย์พวกนั่นก็จะหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นบ้ามันสอนไปบ้าบอจีวันีพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าพวกนั้นเป็นบ้าสอนไปโดยไม่จริงก็จะว่าอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้ามีการให้ทานมีการรักษาศิง มีการไปทำกรรมฐานกับอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้มากจนได้สมาบัติแปดจากนั้นมาพระองค์จึงห ม, มานางังอดข้าวอดน้ำพวกเราก็อดข้าวทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ฟังให้ดีบทเนี่ยพระองค์ตัดเอาไว้ว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติท่านสอนอย่างนั้นแล้วก็ยังไปทํานั่งภาวนาหลับตายเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวบ้านหลวงพ่อเลว่าเจ็บเอวมึืหมือขาเนี่ยมืมอมือหลวงพ่อทำเนี่ยทางนี้อาจจะว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอาจจะว่าทนเอาเวทนาหนอเวทนาเวทนาดูเวทนาท่าไหร่นี่ก็แสดงว่าเราเบียดเบียนตนเองไม่ต้องบัดนี้พระ อ, องค์ ไม่ได้สําเร็จเป็นพระอลหันมาก็มาอดข้าวอดน้ํากั้นลมหายใจไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยถือว่ากิเลสมันเป็นธรําจริงเข้าว่าให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่ออันนี้มันมีกิเลสเป็นธรรมจริงเข้านี่แหละมันมีกิเลสเป็นธรรมกินน้ํานี่แหละมันมีกิเลสเป็นนรรมพูดธรําคุยนี่เนี่ยพระองค์อดทั้งหมดเลยไม่กินข้าวเลยกินข้าเท่าวันละเท่าเบ็ดเงาทันวันการปกติคนไม่กินข้าวมันต้องจ่อยต้องผอมมีแต่กระดูกกับหนัง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 เราเคยทำยังไงทำจิตทำใจเราไม่เคยรู้เลยหลวงพ่อทำมาจนกระทั่งอายุสี่สบหกปีไม่เคยรู้จิตใจมันนึกมันคิดอะไรไม่เคยรู้เลยเป็นอย่างนั้นการทำทางใจเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องหลับตาไปไหนมาไหนะใจมันก็อยู่ที่เรานี่เรากำลังทำการทำอะไรมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้นี่จิตมันคิดปุ๊บใจมันคิดนะรู้สึกตัวทันทีเพราะเรามีสมาธิสมาธิจิงว่าตั้งใจมัน่น ไม่ใช่สมาธินั่งอย่างสิ้อันนั้นสมาธิแบบอยากไม่รู้สมาธิแบบนี้แบบอยากไม่รู้อยากไม่รู้อะไรคนกายไปก็ไม่เห็นจืวะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยหลวงพ่อทําอย่างนั้นจีว่าสมาธิแบบนั้นรู้อย่างไม่อยากรู้มันคิดไปอย่างนั้นจีวามันไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อพูดภาษาบุญหลวงพ่อนั้นเนี่ยแต่คนอืดใจะเห็นไปอย่างไงก็แล้วไปแต่หลวงพ่อพูดของจริงเพราะมาที่นี่ต้องการของจริงต้องพูดความจริงให้ฟังเป็นอย่างนั้น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 กินข้าววะท่นทางนี้จีว่ายัางไงไม่รู้มาได้กินข้าวเนี่ยว่ากินข้าวคันถ้าเป็นโยมบางคนผู้มีเกียรติรับประทานอาหารเนี่ยว่าจย่นั้นถ้าเรียกว่าสันเนี่ยไมแต่ควมเดียกว่ากินข้าวเนี่ยในประเทศอินเดียจะว่าอย่างไรไม่รู้แล้วคนจีนจะว่าอย่างไงไม่รู้เนี่ยการพูดมันเที่ยนไปเลยดังนั้นจีว่าคนไปหาเอาพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียเอาใบโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จับมาให้คนไทยว่านี่ใบโพธพระพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะ เอามากราบมาไหว้กันบางคนเอาไปขายเอาเงินก็ได้นะหลวงพอ่อเห็นพระไปอินเดียเอาใบโพมาขายแล้วก็ดีเอามาขายให้ได้เห็นใบโพอนะันอ้าใบโพบันเราก็มีไปซื้ อ, อยังไงอย่างนั้นถ้าไปฟังก็จะไปฟังอินเดียพูดนะพระพุทธเจ้าตัดสรุปเพรการทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เอาอันนี้มาเผยแพร่เดี๋ยวจะดีมากหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจไปเอาใบโพมาแล้วก็มาสอนคนนั่งหลับตาอย่างนี้อันนั้นแหล ะ, สะแสดงว่าไปเอามาแล้วมันไม่ตรง ตรงใต้ใบโพนะ่อาจจะมีต้นนั้นหรือต้นใดกระบอกหัวจักและใบโพอย่าพอโบเห็นพระโพธิเจ้าจะตัดสรุ้ต้นนั้นกระบอกหัจักหรือไปตัดสรู้บอื่นกระบอกหัจักแล้วไปซวยจับเอามานั่งหลับตาเนี่ยหลวงพ่อว่ารับรองบอกว่าโบแมียนแทะทําไมจึงว่าโบแมียนมาท่นโยพ่พอพระเจ้าว่าเลยพอแม่ปูยาตาย า, ายายกระไว้ฟังทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและ เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติแนชั่ววัแล้วนั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอยู่เนี่ยมันก็บีบเบียนตนเฮาสั่ะอันเนี่ยแล้วบนนกิบบนข้าวบกินน้ำก็บีเบียนตนเฮาสั่าอันเนี่ยจีวะยังไหนหรือหมูคนจีวะจไ ห, หบอกบ เ, าบาบบขเขาจักเบียดเบียนจนเฮาบกขับบกินข้าวหรื อ, อยังไหนแล้วก็นั่งเจ็บแข้งเจ็บขาบวปิดบปิดนี่บีบเบียนตนเฮาบับเนี่ยไปสอนผู้อื่นก็บีเบียนผู้อื่นสัอันเนี่ยจีวะยังไ แต่คิดอย่างไรั้งสันอันนี้หลวงพ่อว่าผู้ดเดียวหลวงพ่อนเะ น, นี่ยเพราะว่าอุปสารควาให้หลวงพ่อฟังว่าในประเทศอินเดียมียลอยแปดสาธิตลอยแปดนิการแล้วพัจจิเป็นมิจฉาทิฏฐิพัจจิเป็นสมาธิพัจจิมาตัดสินให้เหาบิ้นคนอื่นจะรู้ดีกว่าเหาใดไหมรู้โบได้ใจเหาคิดอยากไปฆ่าคนนั้นใจเหาคิดอยากไปกล้าไปไหว้คนนั้นคนอื่นจะเห็นวะโบเห็นจังหวะเมื่อทําไปทํามาหลวงพ่อรู้ตัวหลวงพ่อเอง หลวงพ่อรู้เลยหลวงพ่อเข้าใจโอยกมือไหว้ตัวเองวิธียกมือไหว้ตัวเองต้องทำอย่างนี้ท้ายตัวเองต้อนั่งอย่างนี้เนี่ยยกมือไหว้ตัวเองทันทีเลยหลวงพ่อทําอย่างนี้เนี่ยเอามือมาอย่างนี้ขนาดนี้เนาะท่มีดียังได้ท่นเห็นจิตเห็นใจตัวเองมันนึกมันคิดมันมองไม่เห็นได้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ตานี่เห็นใจมันเห็นเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้อันนี้รอบรู้คืออนะไมีอะไรเข้ามาอยู่ที่นี่นะ่ะ มีอะไรบินเข้ามานี่ต้องเห็นบันทึกใจเราก็เหมือนกันมีอะไรต้องเห็นท่านวะพอแม่ปู่ยาจายายบอกไปว่าอ้วงซอกยาวานาคืบอะไรนั้นมีพร้อมแล้วทางสัญญาณในใจนั่นนี่ยมีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอยา่างให้เราศึกษาที่ตรงนี้อดักกกนก็เลยเห็นจิตใจโกรธเกลียดยเครียดแค้นเนื่องใจอิจาริษยาเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เห็นจริงๆแต่ไม่ใช่ใจเรานะ มันแว บ, บเข้ามาเท่านั้นเองเพราะเลยรู้อ๋อยกหรือไหว้ตัวเองขั้นทังซีก็ได้การปฏิบัติแบบนี้ไม่กําหนดจะถือศาสนาใดก็ได้จะเป็นสาวพุทธก็ได้เป็นสาวคริกก็ได้เป็นสาวอิสลามก็ได้หรือเป็นศาสนาธรามก็ได้ศาสนาฮินดูก็ได้ได้ยินโมพันวาศาสนาเตา๋าศาสนาเซนอะไรกันตามได้ทางนั้นพ่อศึกษาตัวเองเนี่ยว่าศาสนานั้นศาสนานี้มาเป็นสมมุติเท่านั้นเองศาสนาพุทธกับสมมติ ศาสนาพาหณ์ก็สมมติศาสนาฮินดูก็สมมุติก็คนนั่นเองตัวคนทุกคนนี่แหละเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสน า, าคือตัวรู้นี่แหละเนี่ยลูกอันนี้แต่ไม่ใส่รู้เฉพาะท่านี้นะรู้มากกว่านี้นะดังนั้นที่นำธรรมะ ม, มาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมหรืออาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้า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 ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้